อ่อนประโยคาววิจรณ์ทั้งหลายระยะโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านนันไลยโตรดสดับเรื่องราวของนรกเรื่อความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านนันไลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็ประพฤติธปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรก ตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้บารมีที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทําไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกดังนั้นหากว่าท่านนั้งหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันลาดลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนําได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ใน ให้มีความเข้าใจว่าการกระทำอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายหลายร้อยขุมนี่แน่ถ้ามีเพร่ะ อ, อะไรเพื่อใจของท่านคลนั้นเป็นใจหยาบและก็เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระโคตรและไม่ใช่ถ้าว่าเป็นการบางเอืญนถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง ผมเหน็นพระก็ดีเองก็ดีบรรดาพิสุจ์จ้บรรดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติปฏิบัติที่ดีคนคนเรียกว่าคนรักกวนจนเสริญแล้วบางทีในฐทานะที่ท่านลลายยังเป็นปุถุชน <c oughs> ทัางนี้ผมก็มาได้หมายความว่าผมเป็นพระอารียเจ้าก็ยังต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ได้ดี ย้ายจิตใดที่ไม่ใช่หนะ้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจริตเราอย่างนี้แล้วก็ทํำยังไงเสียก็มีหวังว่าไปนระกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดภุมมีหานสี่ขาดจรณาสิบห้าขาดบา ร, รมีสิบขาดอิทธิบาทสี่ คาว่าขาดเจรณะสิบ้าขาดบารมีสิบก็คือไม่มีสินขาดเสร็จแล้วต้องสมรายการนี้ถ้ามีสินสมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำวมาสินหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแนะ่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขาดนารกไอสุนัขขาดนี่ก็แปลว่าเล็บงาม นรักลุ่มนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทํำรา้ายในรักลุ่มนี้ทั้งกล่าวว่ามีไว้สาหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนีนนนน้ว่าคนนั้นดา่าคนโน้นนินทาคนนี้ แล้วก็มีลมคิดอยู่เสมอคนที่มีปากายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีคนคนี้เขามินทาเราคนนั้นอิจฉาดิฏฐยาเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ารมอย่างนี้ไม่มีปากไยก็ไม่มีปากไายยิ่งกว่านั้นก็ดาบิดามารดาดาสมณะชีพราหมณ์ที่ทรงศีล ถ้าลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกับปิละพิขุนี่ก็ต้องเตือนไม่นะสำหรับกับปิละพิขุความจริงผู้เราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบา้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตั ว, วดี งานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผูดด้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากำลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมแต่สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์้็มันจะเกิดโทษกับสถานที่ได้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควร ตอนนี้ไปก็มาฟังเ้าเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวารยโมโลกิยะ น, นรกท่านกล่าวว่าโยโมโลกิญะ น, นรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนักขา น, นรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัขแล้วก็สุนักก็ไปสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมีเยอะมากเป็นหลายฝูง ปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจะแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานโลกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมาในโลกดำหรือหมาสีดำสองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองเอ๊ะ หมาสีเหลืองนี่หมาพระมึงน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ท่านจะแม่ตามท่าบารลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบารลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้น นี่ผมเห็นตามนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมาก <c oughs> แลก้วตั้มบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวแ น, มนม่มันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกว่าใคร เห็นหน้าเขาอะไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมดนี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพูกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทําไอ้คนเราที่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตําหนิตีเตียงเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทำความดีคนที่เขามีความดีนะไม่มีใครเขาติ แต่ว่ายติเขาก็ไม่สะเทียนดู อ, อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าถูกด่าทุกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดี็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สำหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ด่าไม่ว่าคนนึกว่าเขาติเขาด่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายผู้นี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทำตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์คนนรกให้ดีนะท่านกล่าวต่อไปว่าเจ้าถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมานรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนันไม่มีถ้าท่งกล่าวต่อไปว่าทิ้งภาวะอะไรถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อ ถ้าว่ยอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานรกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมาท่านกล่าวว่านรกคมนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีฟงแรงฟงกาไอแรงกาในรบนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงกาในรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็ก แล้วที่ตีเของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอย่างนี้สเสียเยไม่ไม่ต้องเปแลดูก็ได้มมันกลีวอยู่แล้วเมื่อบันเห็นสัตว์ในโะลกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกก็แล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้ร่างกายก็จิกแมก็แย่ทีทําให้ร่างกายของสัตว์นั้นทันรกทั้งหลายเหล่านั้นกระจากระจายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอะไรอร่อย ในการทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเมื่อเนื้อหมดไปก็แ ท, ทะกระดูกกระดูกเคีื่อนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แม้ไม้ก็แทะใหม่เจ้าแรงเจ้กามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกดของกรรมแม่ผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียเออก็ดีเหมือนกันนะ ที่เราคุยกันแบบนี้สําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูบ้างอะไรในความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกนะวิธีให้ถ้าหากว่าท่านจะลงไปในรกก็ไปสำนักของมภัยยมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัด ก, การแก้ไขไม่ให้กําลังใจเป็นอย่างนั้น แล้วว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชียอยู่ในขุมไหนบ้างมีโทษปรบเพื่อนไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วเราก็จะมาบอกกันตรงตรงนะเพื่อเพียงลูกพูดพูดเรียบเรียบเคียงเคียงว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตรงนรกคุมนั้นคุมนี้เป็นตน้น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างบาทยวทัตหรือโกการิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทเนี้าฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดียางโลุทายีเนี่ยสอนชาว บ, บ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระม่อยู่ด้วยให้เจริญพระธรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติไปนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีนี่ก็ว่าอย่างนั so so oui, ้น ได้ผลนิสุดบรรดาภาพทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจา้าเรียนศึกรรษาและกรรมฐานยังได้อารหัตผลแต่ว่าท่านก็พระพอาจารย์ใหญ่ที่มีใจทอริชนท่านไม่ได้อะไรเลยรู้ท่ายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกคุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงวันในโกคุมนี้ที่สุกสุนัขบ้างแรงกาจิตบ้าง ท่ากล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโทษเขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนะครับวาจาเป็นของสาคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะไหวยอยากจะติอยากจะด้อยากจะทำอะไรก็ทาตามชอบใจ แล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าธรรนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าใช้เก็บเพศเ้พศสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม่ที่ผู้ทรงศีลทรงธรรม เช่นเช่นสมณะชี พ, พรามีสุสมเลงก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได่าอย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่ก็เข้ามาเขาอยากจะทําตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน้นแคคครคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีแต่เขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ บ, บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายี เป็นอว า, าปากไม่ดีอย่างนี้เพระผลทุจริตอันหยาชาทำไมอย่างนั้นจิงบันดาลให้มาเกิดในรกขุมนี้เต้าสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสแเราขอบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิ่ยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดระวังสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนอั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นก็คิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ อ, อกุศลเป็นอาจินดกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินดากรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ตั้งไม่จะบวชเป็นพระตลอดการตลอดสมัยก็ไปอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งจะไปง่าย ส, บ, สบาย พรเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่สิบข้องย ม, มโลกีญนรกในยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโล ก, กันแล้วแต่ความจริงโล ก, กันก็ต้องการไ่ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่สิบมีนามว่ายันตปภาสานรก แในรบคุมนี้เขามีไว้สําหรับลงโทษคนที่ทําร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียนี่ยระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันนถะเท่ามีไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมัยคนได้เป็นผัวของเราจะด่าเล่นสมัยคนได้ ความจริงเย็ยนดาลเล่นมาลยัยมันก็ทำได้ยาซ้อมอะไรก็ทำได้ทำไม่ตามสมบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทำได้เหมือนกันเขาทำยังไงเน๋้วดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายมมโลภกยะนรกขุมที่สิบได้ไป ย, ยมมโลกท่านล่อยมนโลกยมมโลกนรกขุมที่สิบ ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะภาษาณนรกในนรกขุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาเป็นภูเขายนต์หันมากระทบกนันเสมอๆเป็นจังหวะจังหวะดีเหมือนกันคือว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะ พอสัตว์มาเกิดใ น, นนรกนี้แล้วนานิยาบาลผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โต mm hmm. ก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองขั้นภูเขานารกทั้งสองนั้นกระทบ ก, กันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่ จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรพระโถสํานวณมั น, นยยแหญ่จริงๆเมื่อก็บุกเขาบ้านใหญ่มันก็พบกันสัตว์มันก็แหลกก็เลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกันดูกันเลกไปตามๆกันละเอียดนเนื้อหนังมันก็ไม่มีปนตีไปหมดเล่ยก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายได้ไม่ตายก็ต้องบอกก็ไม่ตาย เมื่อกระทบไปแล้วร่างกายมันแหลกแหลกเพราะก็เกิดใหม่ ท, ทันทีพวกเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บเอ้าเจ็บก็ทั้งละเอียดไปหมดไอการละเอียดมันก็แยกอยู่แล้วเจ็บแสนที่จะเจ็บเพราะพรพวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มเข้ามาตามเดิมไอเจ้าพวกเขาก็มากระทบกันอีกมันล่อ ก, กันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นว่าไม่มีสัง่งสายจนกว่าจะสิ้นกัน นี่โทษทีเขาทำอย่างนี้มันก็แบบการซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเร า, าได้แต่ว่ากระทา a นรกซ้อมไม่มีโอกาสาที่จะโตโตโตโ ต, โ ต, ตอบได้อันนี้สาหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์หลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกคุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์ หญิงชายที่มีใจบาทหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนเริ่มแรกของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธสัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้างถูกบ้งางทุบบ้างประหัตประหารบ้างด้วยกำลังด้วยกาลังกายหรือถ้ามาเย็นนั้นคนที่เป็นพัญญา เมื่อโก็สามีขึ้นมาก็ดา่าบ้างควา้าไม้ไล่ตีมีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วอเอ้ยให้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกใ่ย่องนรกคุณนี้ยังมาสติเขาอีกจำบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีพัญญาของคนอื่นตามชอบใจ ออไอ้เรื่องการเจ้าชู้นี่มันย่องเข้ามาทั้งสองขุมน่นี่สินทะีในรัก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอคุมนี่ขุมปากคุมทําลายครูครองนี่ก็ย่องมีการลงโทษเรื่องในการเจ้าชู้อีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดไปนั้นว่าเราไม่คิดกันดีกว่า ทำไมจะไม่ต้องคิดแต่คืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ต่าบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้มาตายะความเป็นคนก็ต้องไปสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสหาหัสเป็นอนุนวาเรื่องราวของยมโลกเยนนรกถ้าจะกล่าวกันไปพัฒ น, นาให้มันถึงที่สุดเป็นจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมหวงผูกไปตามๆกัน ตั้งนี้พ่ออะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่านรกนรกก็แปลว่าเร่าร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมมากิโลกเกียร์นรกเมก็ว่าพูดได้หมืกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกเียนรกโล ก, กันตนรกโล ก, กันตนรกที่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดแต่เวลายังไม่หมดเรื่อตัวเสียระเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันที่เรื่องนรกว่าคำว่านารกเป็นแดนที่สร้างความเล่าร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อน วันนี้หาทางหลีกกรสือนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่แรกขมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจะนรุกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พ้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นสาวกของค์สมเด็จพระทธสุุนบรมาศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพยายมเนกัน พญายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปกต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้าไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุว่าท่านผูนั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัว ในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความชัว่วดีเขาทำสแสดงว่าเขาทำจริงพระยาโยมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะปรดบรรดาสัตว์ั้ายเหล่านี้ให้มีความสุข้นทุกสี่ก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศล ว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทําไว้แต่ความเจียงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทําไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สามถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บอกว่าจนใจได้เกิด ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในานารกนี้ถ้าหากว่าท่านทัง้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นศาสยบุตรพุทธจีนรรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้ทาทั้งพระทั้งเลนทั้งฆราวาสผู้หญิงผู้ชายกูเหมือนกันที่มาประรพฤติธรูมิจันทร์คำว่าพุทธรูมอาจันทร์แปลว่าพุทธประพฤติเสริฐ นี่แนวทางในการที่เป็นบาปกุศลแต่และคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสเชิงถึงสุปฏิธิตาเทพบุตรเขาทำบาปอยากช้านในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกแล้วออกจากอเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวาร ผ่านยมโลกเยนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเสด็ฉันเป็นคนง่อยตามบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่เทาว่าก่อนที่สุปฏิที่ตาพทพบุตรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารสันดาส ม, มาสมุทิเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกเกก็ไปสวรรค์ ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จพระสงฆทันเท่โกรธอีกครั้งเดียวเป็นบาโสดาบันเป็นอัมาเรื่องนรกหม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสก่อน ดังนั้นท่านหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จปะชิาวรนเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันต้องอยู่ในความมีหันสีทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพมจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสื่อก เสียอะไรเสียก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ห น, นีไม่พน้นแต่ว่าท่า น, นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จะเริญกรรมฐานให้จิตมราทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอ ย, อย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ไม่กันฌานโลกี ถ้าทางที่ดีแล้ก็รักษากำลังใจววาสังนิษต์สกิจใจไว้เสมอถึงสังโยคสามรายการหนึ่งส ก, กายยิติติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่เราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในวระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสยัยรักษาสินเป็นปกติไม่ยอมให้สินขาดแม้แต่ตัวจะตาย เท่านี้ระบรรดาท่านนังหลายองค์สมเด็จไปจอมไกรทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นอนบุบาตนารกทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสำหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสชนิดอย่างแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขบรรดาท่านนั่งหลาย ตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐ า, านต่อไป